ธรรมเทศนาแผ่นที่78ลำดับที่12โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดกุดอนธานีแสดงธรรมในวันที่4มิถุนายน2558ปีชื่อเรื่องว่าสะสมบารมี กเมื่อกี้นี่หลวงพ่อพูดกับพออุจิตพออสุจิตขายยางขายยางเสร็จแล้วมาถวายปัจจัยหลวงพ่อเลยบอกว่าถ้ า, ถ, าถ้าพออสุจิตถวายค่า ย, ยางเนี่ยยางจะขึ้นราคาอีกนะถ้าไม่ถ้าไม่ถวายยางค่ายางเนี่ยยางจะลดเดืนนี้กำลังขึ้นเลยด้วยนะมื้อเช้าเนี่ยหลวงพ่อไปถาม ไอ้ลูกหลานยางเศษยางเนี่ยกิโลละเท่าไหร่สาบาทโอ้ถ้า40บาทนี่แปลว่าอยู่ได้สบายเลยนะเออถ้ายัถ้ายางเศษยางส3สามอย่างเาง 33, างนี้ยยางแผ่นกิโลละ60สกว่าบาทนะเนี่ยอยู่ไ ด, ถได้ถ้าได้40บถ้าได้สี่บาทแปลว่า ลูกหลานอย่าลืมตัวกันแล้วกันวันนั้นแต่รีบเก็บบะะ่เนี่ยถ้าได้ถึงสี่สิบบาทแล้วเขาโอ้ผู้ช่ยธรรมดาแล้วแดวมันกําลังขึ้นวันนั้นเร็ว่ากินเศษยางนะกิโลละสามสิบสามบาทายางราคาตกขนมนมเนยหลวงพ่อก็ร่อยหลอลงมันกั น, นา เ <laughs> พราะลุงพ่ออยู่กับลูกกับหลานเไอถ้าลูกหลานมียางราคาขึ้นมาเนี่ยหลวงพ่อกรวยเหมือนกับลูกหลานลูกห ล, า น, ล, กลานกนใส่บาตรขนมนมเลยอก็รู้สึกว่าอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาแต่ถ้ายางช่วงไหนยางราคาตกนะลูกหลานหน้าจ้อยง่อยเงาเอหลงตากันเลย บาดของลงตาก็แห้งไปด้วยเหมือนกันนะ่ะ เ, เพราะลงตาเนะี่ยอยู่กับลูกกับหลานเลลูกหลานรนะวยลงตาก็พลอยรวยไปด้วยเหมือนกันลูกหลานอา ส, สแสวงหาทรัพย์มาได้ก็นนะทำบุญนะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือทําบุญจากนั้นก็เลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเลี้ยงฐานะ ไม่ใช่ว่าจะเลี่ยงจะฐานะการทำคุณก็คือเป็นการปูทางสร้างบารมีไปต่อภั ย, ยภายภาคหน้า <c oughs> ว, วันนี้เป็นวันที่สี่ มิุนายนพุทธศักราช2558เมื่อคืนก็มีฝนลงนิดหน่อยนะในวัดของเราเมื่อวานรู้สึกว่าฝนลงต่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเมื่อเช้าวานนีแต่เมื่อเช้าวานนี่รู้สึกว่าสมชายของเราในวัดร้องมากเหลือเกินจนหลวงพ่อพูดอะไรไม่ได้เมื่อวานนี ลุงสมชายร้องอยู่ใกล้การลบกวนเลยปล่อยให้ลุงชายสมชายร้องเพลงทั้งเมื่อวานเนี้หลุงพ่อก็เลยฉันจังหันขนาดลุงพ่อจะฉันจังหันเสร็จสมชายยังร้องร้องเพลงยังไม่เสร็จ อ, อดูสิวันสมชายเขาจะอะไรหล่องโขงร้องไตยยังพอแรงมั้งร้องเพลงสมชายเมื่อวานเนี่ย เป็นวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งเราคณะสัายาติโยมลูกหลานทุกคนถ้ามีคำถามว่าหลวงพ่อเราสร้างเนเราจะสร้างอะไรได้บุญมากนะเราจะสร้างอะไรจึงได้บุญมากหลวงพ่อบอกเรเลๆว่าสร้างบา ร, รมีสร้างบา ร, รมีสิบทัศสามสิบทัศนะนี่หละ ถ้าผู้ใดสร้างบารมีเข้าสู่จิตใจแล้วมีแต่ความพร้มเย็นเป็นสุขเพราะเหตุใดเพราะพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านก็สร้างบารมีของพระ อ, องค์สี่อสงไข์กาไรแสนมหากัปพระสาวกโมกคาราสาลีบุตรสร้างบารมีสองอสงไขยอ่านี่แหละ คือการสร้างบารมีตัวนี้แหละสร้างบุญตัวนี้แหละไม่มีอะไรที่จะดียิ่งเลิศกว่าถ้าคนมีบุญแล้วไปน่าสถานที่ใดอยู่น่าสถานที่ใดทุกสิ่งทุกอย่างเออมันจะเอื้ออํานวยอวยพรให้พวกเราท่านทั้งหลายร่มเย็นเป็นสุ ข, สขกายสุขใจแต่ถ้าว่าพวกเราไม่มีบุญมีมีแต่บาป สร้างแต่อกุศลสร้างแต่ความชั่วใส่จิตใส่ใจคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วอยู่ตลอดเวล า, เ, าเกิดไปในสถานที่ใดมีแต่ความมีแต่เรื่องมีแต่เรามีแต่สิ่งอปมงคลเข้ามาเกี่ยวข้องไปเลยเพราะคนมีบาปคนมีบาปกับคนมีบุญ ม, มันต่างกันเพราะฉะนั้นาการสร้างจะสร้างอะไรสร้างบารมีสร้างบุญกุศลเข้าสู่จิตใจนั้นเลิศประเสริฐ แล้วกสว็สร้างทาวววัตถุและหลวงพ่อสร้างทาววอนวัตถุก็คือสร้างบา ร, รมีคือทานะบา ร, รมเีเพื่อเสริมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเหมือนกันสร้างบา ร, รมีมีกี่อย่างหลวงพ่อมีอยู่สิบอย่างนะที่พระพุทธเจ้าท่านในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านวางเอาไว้ท้าหลวงพ่อจะพูดเป็น ภาษาเหมือนกับคาถาไล่ผีนะแต่ตาไม่จริงไม่ใช่นะเป็นภาษาบาลีท่านยกเอาเป็นย่อๆอย่างที่หลวงพ่อว่าต่อๆลักษณะอย่างนั้นนะแปลว่าต่อๆอะไรเตรียมตัวตายหลวงพ่อพูดว่าต่อๆแต่นี่ก็สร้างบารมีก็มีอยู่ส0บอย่างแต่พูดเป็นย่อๆเป็นความหมายเรีว่าทาสีหน้าปาวิ ขาสอะเมอุอ mm ันนี้ก็คือ10 10สตัวนะทาสินะปวิขาสาเมอุนมีอยู่10บนะแต่เนี้ทํามาขยายความอย่างต่อต่อตอเนี่ยเตรียมตัวตายใช่ไหมล่ะ่ขยายความอันนี้ทาสีนะปวิขาสาอะเมอุเนี่ยขยายความว่าอย่างไงการสร้างบารมีให้สร้างบารมีทาสินะปวิคขาสอะเมอุน สร้างยังไงสร้างบารมีท่าแปลว่าทานให้มีการเสียสละให้มีน้ำใจต่อพ่อต่อแม่ต่อพี่ต่อน้องต่อวงศาคณะญาติญาติมิตรสหายที่เขาด้อยกว่าที่เรามีทานนเหนือกว่าดีกว่าเราเห็นหมูหมากาไกา่มันหิวผอมโซอ ย, อย่างนีน้เราก็แบ่งให้มันกินบ้างเนี่ยพราเรามีอยู่มีกินเราเหลือปากเหลือท้องพอแรงแล้วเราเราก็น่าจะแบ่งให้มัน เพราะว่าสัตว์มันหิวเนี่นนะเราเห็นอะไรเราก็ให้มีน้ําใจถ้าคนหิวเราก็ต้องแบ่งให้บ้างไม่ใช่บ้างนะพอสมควรตามสถานะใครๆว่าไม่ไม่ให้เบียดเบียนตนจนเดือดร้อนไม่ใช่ว่ามีอะไรให้เขาทั้งหมดก็ไม่น ไ, ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเมตตาตนเมตตาคนอื่น อาหารโซกิโตโหมิข้าพรเจ้าจงเป็นศุขสัพเพสัตตาสุกิตาหุ่นตุขอสัพพสัตทั้งหลายจงเป็นศักดนะิอทั้งให้เมตตาตนด้วยให้เมตตาคนอื่นด้วยทานะคือการเสียสละศีลศีละทานศีศีแปลว่าศีลศีลก็คือส้ำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยอย่าให้มีโทษทานศีนะนะแปลว่าเนคขมะ เนคขมะก็คือเป็นนักพรตนักบวชอย่างที่หลวงพ่อหรือพวกชีทั้งหลายรักษาศินแปดอย่างนี้เป็นเอกเทศถ้าเราเป็นครวัตญาตโ ย, ยมอย่างเนคขมะไม่ได้ก็ออเออมีสินห้ า, ามีศินห้าก็น่าจะเพียงพอแต่ผู้มีความอดอุตสาหะวิริยะเออเอามาเข้าเป็นนักพรตนักบวชแต่ว่าทาสีหนะ้าก่อนเนคขมะบวชเนคขมคือรักษาพรหมจันยร์อยู่ตามเป็นเอกเทศ อันนี้ว่าในธาสีน่ะปะวิปะแปลว่าปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างให้มีปัญญาให้ใช้ปัญญาให้มีความรอบคอบในการเป็นอยู่ในการบริหารจัดการกับตนเองกับสิ่งแวดล้อมรอบด้านให้ใช้ปัญญาทาสีน่ะปะปัญญาปะวิขาให้มีขันติคือความอดทนอดทนการอยู่นักสถานที่ใด อยู่วัดก็ต้องอดทนอย่างวัดอดทนดหลายหาอย่างอดทนต่ออากาศต่อความร้อนความหิวความกระหายต่อคู่คนที่มาดูถูกเหยียดย้ำผู้น้อยบูกใครใครก็ตามดูด่าว่ากล่าวเราต้องอดทนทุกอย่างต้องใช้ปัญญาเในใช้ปัญญาในการอดทนไม่ใช่ว่าอดทนแบบโง่โง่เงาเงาไม่ใช่นะ อดทนตนนี้ก็ต้องใช้ปัญญาในการรอบคอบในการอดทนนะป่าวิขาขันติป่าวิขาสะต้องมีสัจจะไปอยู่ในสถานที่ไหนต้องมีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจว่าเรามาอยู่ที่นี่เพื่ออะไรมีจุดประสงค์อะไรต้องมีสัจจะ ม, มีความมุ่งมั่นข้าพรเจ้าจะอยู่อย่างไรอยู่กี่ดีกี่ปีกี่เดือนตรอดชีวิต ต้องมีสัจจะในความจริงจังและจริงใจของตนเองอันนี้คือการสร้างบารมีนะปาวิคาสอะอธิษฐานอาธิษฐานคือความตั้งใจมั่นจิดใจให้มั่นคงาปาวิคาสะเมคือให้มีเมตตาให้มีเมตตาต่อกันเราไปอยู่นาสฐานที่ใดคนที่ไม่มีเมตตาคนไร้เมตตาคน หาความเมตตาไม่ได้จะหาความสงบสุขไม่ได้เเพราะเดือดร้อนไปทุกแห่งหนท้าคนขาดเมตตาอะเมอเมเมคือเมตตาอะเมอุนะสะสะสัจจะทิฏฐานสอะเมเมตตาอุอุเปขา ทำทั้งสิอย่างที่ต้องมีอุปเบกขาด้วยฮะถ้าจะมีแต่จะมีแต่ทานแต่ศินอย่างเดียวมันแบกใส่บาตหนักเกินไปนะแต่มีอุปเบกขานะคล้ายๆว่าถึงคราวสิ่งไหนก็ตามต้องมีอุปเบกขาต้องมีการวางเฉยนะเพราะทำคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่แบกบารมีไปสู่นิพพานไม่ใช่นะบารมีนะี่คือเป็นแพรหรือเป็นเรือ เ, เรียกว่าเป็นสิ่งที่นำเราข้ามน้ำข้ามทะเลพอไปถึงฝั่งแล้วก็เราทิ้งทั้งหมดเลยนะออพอ ท, ทิ้งหมดเราก็เดินขึ้นไปฝั่งบารมีทั้งหลายเนี่ยทิ้งอยู่ในเรือทั้งหมดทิ้งอยู่ในกลางมหาสมุทรทิ้งอยู่ในฝั่งทั้งหมดแต่เราขึ้นไ ป, ไปแต่ธรรมทธาที่อันบริสุทธ์เท่านั้น แต่สิ่งทั้งหลายทั้งพวงบารมีที่หลวงพ่อได้พูดนะทาชินอปะพิขาสะอาเมอูเนี่ยทิ้งอยู่ในในเมื่อไปถึงฝั่งไปถึงมุ่งที่มุ่งหมายที่มุ่งหมายที่ถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะบารมีทั้งสิทัศเนี่ยเราทิ้งเหมือนกับเรือนไปส่งทึงฝั่งแล้วเราไม่แบกเรือขึ้นฝั่งหรอกอ่ะเราก็ไปเลยไปนั่นเข้าไปสู่ บวกลมมะสุขรรมาธาตุเรืความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเป็นาธาตุธาตุอันเป็นธรรมธรรมมันเป็นาธาตุเป็นธรรมมาธาตุไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะแต่สิ่งโมเนตเราทิ้งอันนี้คือเรือแพที่นําไปสู่ความบริสุทธิ์นั้นนี่แหละอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเราต้องสร้างเรือแพ สร้างบารมีคือสร้างเรือแพที่จะนำสู่ใจของเราไปถึงความบริสุทธิ์เป็นไปถึงอมตะธาตุไปถึงอม ต, ต, ตะธรรมเพราะนั้นการสร้างสิ่งไหนก็าตามไม่มีอะไรที่จะเลิศประเสริฐยิ่งกว่าการสร้าง <c oughs> สร้างบารมีเพราะนั้นการสร้างบารมีเนี่ยทีนี้เราก็ขยายผลเลย การสร้างบารมีทานะเราจะทําบุญทําทานยังไงทานยังไงจึงจึงจะได้บุญกุศลมากทานยังไงเราจึงจะที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการเลือกให้พระสุขพระสุขคดทรงสรรเสริญการให้ยังไงจึงจะเป็นบุญเป็นกุศลที่เหนือเลิศประเสริฐต้องใช้ปัญญาแหละแต่เนแยกแยะการทําบุญทําทานไม่ใช่หลับหูหลับตาไปทานไปเรื่อยมีอะไรกับทําบุญเกินไปหมด เห็นไปที่ไหนไปแล้วเอาทำไปหมดไม่ใชเ่เราต้องเลือกให้นะ อ, อันตรงไหนที่เราจะได้ขุดตรงไหนที่มีบอ่อทองคำบอ่อทองคำบ่อแร่เงินบอ่อทองคำบ่อเพชรนินกินด า, าตรงนี้แหละมันมีเาราต้องใช้ปัญญาเออชายมันมีอย่างนี้เราต้องขุดนะเราก็ต้องขุด ล, ลงไปก็ได้เพชรนินกินดา ที่มันมีอยู่แล้วเพราะมันมีเราไปใช้ปัญญาใช้ปัญญาตรวจตราดีแล้วตรงเนี้ยอสำรวจดูแล้วเนี่ยมันมีเพชรเนินจินดามีแร่เงาะมีแร่ทองคำํำเราต้องขุดใช้ปัญญาซะก่อนนะไม่ใช่ว่าปลูกปรับมาเลยจะไปหาทองคำคนนั้นที่ไหนก็ขุดด่าไปหมดขุดถึงวันตายมันก็ไม่ได้เพราะเหตุอะไรเพราะไม่ใช่บอกของมันไม่ใช่แหล่งของมัน นี่เหมือนกันการทําบุญก็ลักษณะนั้นนะการนัดต า, าญาติโยมลูกหลานนะต้องใช้ปัญญานะสรุปแล้วให้ใช้ปัญญาให้รอบคอบในฐานศีลก็เหมือนกันรักษากายวาจาให้เรียบร้อยรักษาอย่างไงรักษากายทำลมกาย <c oughs> คือศี 5, 8, 7, ลห้าศีลแศีล227รักษาศีลก่อนที่รักษาศีลเราใช้ปัญญายังไง ต้องให้รอบขอบอไม่ใช่เขารักษากันลักไปเรื่อยรักษาไปเรื่อยเอมีที่รับมีที่แจ้งเอมีอะไรต่อไม่อะไรไม่บริสุทธิ์ในจิตใจใ น, ในีศีเอ่อท้าศีลนะในคมะก็เหมือนกันเป็นนักพรตนักบวชเมื่อเขามาเป็นนักพรตนักบวชแล้วใจเราคิดยังไงเอเมื่อเราเป็นมาเป็นนักพรตนักบวชแล้วใจเราทั้งบวชทั้งกายบวชทั้งวาจาบวชทั้งใจด้วย ใจเราก็อยู่ในวัดนะไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาแต่ได้แต่เป็นขาวเป็นชีได้แต่หัวโล้นครับผ้าขาวได้เป็นพระก็ได้แต่ศีรษะล้นกับผ้าเหลืองแต่ใจนู่ไปร้องเพลงร้องล้ำทำเพลงที่ไหนก็ไมา่รู้นะ อ, อ, อันนี้แปลว่าบวชแต่กายใจไม่บวชนะไม่มีเนคขมมะนะถ้าเนคขมมะในใจเราก็ต้องออให้อยู่เราอยู่ในสถานะพระ อย่างนี้เราอยู่ในวัดอย่างนี้เราควรปฏิบัติตนอย่างไรภาวนาอย่างไรให้ใจอยู่ในให้ใจอยู่เป็นพระให้ใจเป็นเอกเทศใ ห, ให้ใจรู้แจ้งเห็นจริงเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละคือบวชใจบวชทั้งกายบวชทั้งใจทาศีหน้าป่าปัญญาปัญญาเนี่ยต้องรอบคอบในการให้ทานในการรักษาศีล ในการบวชเนกธรรมะปัญญานะก็วิริยะก็เพียนพยายามอนะสิ่งใดที่จะเกิดประโยชน์นะถ้าเพียนทําความชั่วมันก็ชั่วเต็มเป่าเหมือนกันนะนะเพียนคำนี้นะถ้าเพียนไปในทางที่ดีมันก็ดีฮนะนี่แหละการสร้างบารมีนะสรุปแล้วก็คือให้ใช้ปัญญาะคณะนะสัตยาธาาิโยลูกหลานทุกคนนะสรุปแล้วก็คือเนี่อยอักษรย่อเรือกว่าคําย่อ ในบารมีสิบทัศสิบทัศน์นี่คขาว่าเป็นหัวข้ออ่ว่ายี่สิบทัศน์ยี่สิบทัศน์คขาว่าทานปรามีสัมปนโนทานอุปปารมีสัมปนโนทานปรามัตถะปรามีสัมปันนมีสามนะท่านสีละปรามีสัมปนโนศีอุปปารมีสัมปนโนสีปรามัตถะปรามีสัมปนโน สรุปแล้วก็คือที่แรกคืมีมีสิบต่อมาคกกือเขาว่ามันมีมีสบมีสานั 30, ่นคืออะไรก็คือทานนะคือคือทานธรรมดาเราทําบุญทําทานทั่วไปนะอันนี้คือ ท, ทานะมีอะไรก็ต่อหน้าแล้วก็ทานไป <c oughs> อันนี้ทานน้รมมทานนอุปปรมมทานที่ของตัวเองชอบออตัวเองตัวนี้ชอบ เพอใจในการที่ของเราที่มีอยู่เอาเราตัดจิตจัดใจทานเสียสละออกไปอันนี้ว่าทานอุปปั ร, ปรมีแปลว่าทานเหนือเหนือกว่าเหนือกว่าที่เราที่เราเป็นอยู่นี่น่ะทานอุป ป, รปรัรมีทานนัปมัตมะปรามีทานที่ยอดเยี่ยมขนาดควักตาออกทานคนโอ้พ่อแม่ของเรา ลูกคนที่เรารักเคารพเป็นผู้มีคุณประโยชน์กับประเทศชาติต่อโลกแต่ท่านเสียไตไตของท่านไม่มีเอาเถอะเราเสียสละบริจาคไตให้อันนี้ะคือว่าทานะถึงขั้นประมัดนะทีนี้ขนาดชีวิตร่างกายเราจึางทานให้ได้อย่างพระเวสสันดรทานลูกทานเมียทางทรัพย์สมบัติอันนั้นแหล ะ, ะท่านทานเสร็จแล้วท่านบอกว่า ท่านรักโพธิญาณรักโพธิญาณมากกว่าสุขถึงทุกอย่างในโลกมากกว่าดวงตาของเราใครจะมาขอดวงตาเราให้ได้เต่าต้องการโพธิญาณ น, นี่แหละอันนี้ก็คือที่ท่านบอกว่าฐานปรมัตฐานที่เหนือกว่าเหนือกว่าเรื่องชีวิตจิตใจทั้งหมด คือรักโพธิญาณรักความอริสุทธิ์หลุดพ้นเพื่อหวังความหลุดพ้นเพื่อโพธิญาณนี่แหละอันนี้ก็คือมันมีสมขั้นฐานะปรมีฐานะอุปปรมีฐานะปรามัดถะปรมีศีลก็เหมือนกันเสียระปรามีศียอุปปรมีศียระปรามัดถะปรมีศียรปรามัดถะปรมีอย่างพับพระพุ ผู้ริทัศนะ์ที่เป็นสวยนะพระพุทธเจ้าสวยเป็นเป็นนาคเนะ่ยผูริทัตตะนะเนีั้งที่หมอเข้ามาจับเอาไปเล่นละครนะั้งที่ท่านมีอิทธิฤทธิ์อยู่จะเลืมตาขึ้นไปเป่าพิษออกไปเท่นั้นนะไฟไหมตายไปหมดเลยแต่ท่านไม่ทำท่านรักษาศีล ท่านรักสินยิ่งกว่าชีวิ ต, ตถ้าท่านทําอย่างนั้นแปลว่าท่านฆ่าคนอื่นศินขาดนะเพราะฉะนั้นท่านไม่ทําท่านไม่ทําทั้งที่ทําได้แต่ไม่ทําเพราะอะไรทำเข้าไปแล้วมันสินขาด น, ะนี่แหละท่านรักศินยิ่งกว่าชีวิตนะแต่ว่าปรมัตถะปรามีสัมปันโนศีระประมัตถปรามีสัมปันโนอิติปิสโสภะวานนี่แหละให้พวกเราคณะทหาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะ อันนี้แหละที่หลว ง, งพ่อบอกว่าการสร้างอะไรที่เลิศประเสริฐที่สุดดีที่สุดสร้างบา ร, รมีไม่มีอะไรที่จะเหนือกว่าการสร้างบา ร, รมีมีสร้างบา ร, รมีนั้นคือสร้างบา ร, รมีมีอยู่สิบอย่างที่หลวงพ่อได้พูดถ้าเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วก่อนนั้นนะบ่รมมะสุขพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ ต, ดตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสามาัมปวรญาณคือบา ร, รมีของท่านเต็ม ภาษาพวกทั้งหลายก็เหมือนกันที่ท่านสร้างบารมีของท่านบารมีของท่านเต็มอพระหานที่ท่านสร้างบารมีบารมีของท่านเต็มอท่านจึงบริสุทธิ์บริบูรณ์แต่พวกเราท่านทั้งหลายไม่แน่เหมือนกันะออบางทีพวกเราถ้าขี้เกียจขี้ค้านบารมีมันก็ห่ า, หางไกลใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเราสร้างทุกวี่ทุกวันนเอบารมีของเ่าก็เต็มตตินขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ถ้าท่านผู้ใดข้อตามบำเพ็ญจติปฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมกายคือพิจารณาจิตใจอยู่ในร่างกายเห็นร่างกายเป็นสุภาปฏิคูณไปของไม่มั่นไม่เที่ยงจะตลอดเวลาไม่มีเผลอเลยเนั่นะท่านผู้นั้นมรรคผลนิพพานเจ็ดปีเป็นอย่างอย่างช้าเนจะ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันนะ ต้องเป็นพระหันแน่นอนเพราะพรุทธเจ้ารับรองถึงขนาดนั้นนะออใครเขาว่าจิตจิตอยู่ในจติปฐานสีอยู่ในกายอยู่ในเวทนาอยู่มีความรู้สึกอยู่ในจิตใจตอยู่ตลอดว่าจิตกายเวทนาจิตจิตอยู่ในจิตจิตไม่เผลอนี่แหละอันนี้คือถ้าว่าท่านผู้ใดอยู่ในจติปฐานสีกายเวทนาจิตธรรมธรรมคือธรรมารมณ์ที่ดูความรู้สึกของตัวเองอยู่ตลอด ถ้าประจิตใจของเราอยู่ในกร ร, ก ร, รมฐานสี่อย่างนี้เนี่ยไม่เพลอเลยเจ็ดวันอย่างนานกว่านั้นเะจ็ดเดือนไม่เกินเจ็ดปีแต่พวกเรานั่ ง, งดูนะนาทีหนึ่งมันคิดไปมั่รวรอบโลกจักรวาลมันยากเหลือเกินนะเทพพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้อยู่ในจติปฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมจิตใจอยู่ตรงนี้นะ นนะมักผลนี่ผ่านเต็มตื่นขึ้นมาเร็วเร็วพรานเลยละงั้นถ้อถ้าทําได้อย่างนั้นแต่พวกเราทําทํำดูโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะอพอนั่งภาวนาคิดถึงอะไรตัวไม่อะไรนึนาทีหนึ่งมันมีเหมือนกับจิตร้อยดวง ล, ลักษณะอย่างนั้นนะอบังคับเท่าไรมันก็นยิ่งออกอมันไม่ใช่ธรรมดานะบังคับจิตใจนะการสร้างบารมีนะ เพราะนั้นขอให้พวกเราถึงจะยากยังไงก็เป็นหน้าที่นะคือหน้าที่ของพวกเราจะต้องบำเพ็ญนะคุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจถ้าเรามุ่งหวังคุณงามความดีหวังความสุขความเจริญหวังความสุขความเย็นใจหวังมรรคผลนิพพานเราต้องบำเพ็ญบารมนะีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะสร้างบารมี ไม่มีอะไรที่จะเลิศประเสริฐยิ่งกว่าการสร้างบารมีการสร้างบารมีคือบารมีสิบทัศยี่สิบทัศสาสิบทัศคำว่าทัศคำนี้นะ่ยคือธรรมดาอ่าแล้วก็เหนือกว่าแล้วก็ยอดเยี่ยมอ่ารวมก็แล้วก็เป็นสาสิบแต่ย่นย่อลงมาก็มีสิอย่างที่หลวงพ่อพูดอ่าเป็นตัวอักษรย่อให้ฟังนะั่นอ่าถ้าพูดให้ฟังนะถ้า พูดเนะ่เป็นแต่อักษยรย่อไม่ไม่ได้อธิบายให้ฟังนะเหมือนกับเป็นคาถาหรือคาถากาันผีลักษณะอย่างนั้นแนหะขลังนะทาสีนะปะวิขสะอามีอนะเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะทายาทโยมลูกหลานทุกคนนะสรุปแล้วก็คือให้สร้างบา ร, รมีเป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีถ้าคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วนะความชั่วมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความทุก เข้ามาสู่จิตใจถ้าเราคิดดีทำดีพูดดีแล้วนะั่นนะความสุขความเจริญไปอยู่นัสถานที่ใดใจของเราก็มีแต่ความสุขลึกๆอยู่ในใจนะเราไม่ได้เบียดเบียนใครเราไม่ได้คิดเบียดเบียนใครเราไม่ได้ลังแกงแก่เอาร่างกายไปลังทำร้ายทำรายใครเราไม่ได้พูดดูถูกเยยดย่ำ ไปในทางที่ชั่วไม่ได้โกหกต้มตุนหลอกลวงตอแหลกับใครเราสำรวมกายวาจาของเราอยู่ตลอดนี่แหละอันนี้ก็คือเราสร้างบารมีเข้าสู่จิตใจแล้วกีนเมื่อใจของเราเต็มเปลี่ยมด้วยบารมีแล้วก่อนอย่างพระพุทธเจ้าพระอารยสาวกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรา วันนี้ก็หลวงพ่อให้แนวความคิดแนวหนึ่งสําหรับพวกเราคณนะะทาญาติโยมลูกหลานให้เป็น <c oughs> ให้พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกันนะ <c oughs> การครองไตรตองดูสิว่าที่หลวงพ่อให้แนวความคิดแต่ละวันเป็นยังไง <c oughs> วันนี้ก็เป็นแนวความคิดแนวหนึ่งสําหรับให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเนะอาต่อเนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในะที่นี้นะ